มันฟังและจําได้นําไปวอกซื้อๆคันฟังแล้วจําไปวอกซื้อๆนึงโมเด็ประโยชน์ได้ประโยชน์น้อยค่ายๆคือเขาศึกษาเรียนหลักสูตรนักถามสันติสันโทสันเทพเรือว่าเรียนมหาเรียนโยกประยกสามโยกสี่โยกประเดนเขาก็ 3, ะตาก เพียงจะจมได้ทองได้อยู่หน้านั้นหน้านี้บทนั้นบทนี้จยั่นไ ด, ด้คือคันอบกมาปฏิบัติได้ประโยชน์น้อยคล้ายๆคือเอามีข้าวสุกได้หวโกินข้าวสุกมืนมีแต่ว่าหิข้าวหิวข้าวหิวข้าว แต่เขามือเขามีอยู่ในกับมือเฮาเฮาโบกินมันก็บบมีประโยชน์เนี่ยกับการวาหิ้วเขาถ้าหา่าว า, ว า, วาเขาบวาาหเ้าเขากินลดบะเดียวอันนี้เป็นเขาแต่เฮากินมัอมนอินอ่มทองมันเป็นอย่างการทองบนสาธยายอย่างเอาสวดมันดีแล้วแต่เอาปากอย่างที่เขาสวดพุดทธังสารนางขจานี้ ข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกำจัดไทยได้จริงขันเฮ็ดคืออย่างพระพุทธเจ้านั้นกำจัดทุกกำจัดไทยได้จริงธรรมังสารนังคาถานีข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกำทกำจัดไทยได้จริงกำจัดได้จริงจริง้าเขาเซตาม สังคังสลัลนังขชามิข้าพระเจ้าถือเอาพระส่งเป็นสลัสนะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกกำจัดไทยได้จริงแนะครับทุกติยมติสาติยมติครั้งที่หนึ่งคิดของเฮตตาแต่เอาวาว ก, กันถ้าเอาวาวซื้อคล้ายๆคือเขามีเขาเ้าแล้วเขาบุกิน ว่าใจหิวเขา้าหิวเข้าอะไรแบบนี้ เ, าาเทาเ ว, ว้าเหาะทั้งจวดทั้งจมแล้วเหาะก็เลยปฏิบัติคล้ายๆคือว่าเหามีเข้ายู่ในกับมือเขาอยากก็กินโลดอิ่โลดตัวของพระพุทธเจ้ดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่งสอนสอนมัตทุกผลพระสงฆก็สอนอย่างเดียวนั้น เนรกสอนอย่างเดียวนะญาติโยมผู้หญิงผู้ชายกราสอนอย่างเดียวกันผู้น้อยผู้น่ายเราสอนอย่างเดียวกันนะโนะบว่าแต่เฉพาะคนถือศาสนาผูถคคือศาสนาใดก็ศึกษ า, าได้ไดคําสอนของของเจ้านี่ยเป็นสางกลางบม่ได้เป็นของใครทั้งนั้เป็นของสําหรับบุคคลผู้ที่มีปัญญา ทำลายอวิชาได้ว่าภาษาธรรมะหรือว่าทำลายโมหะได้อย่างที่เขาสวดโนกุ ม, มาโมหามาแลา้วท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขจัดมนต์นคือโมหะเสียแล้วถ้าเขาจัดกับโมหะเสียแล้วความสว่างภายในจิตใจของเขา จิตใจของเขากบบ็บอกคกสิ่งที่มือบอดเมือห่อหุ้ม อ, อวิสานะั้นมมมาปกปุมได้ก็เรียกว่าเขาทําลายโมหะได้ถ้าห้ากเขาทําลายโมหะบุได้กรทุก อ, อวิสาหุห้มห่อห่อผอมจิตใจเขาจะเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ มีแต่ทุกขอนนดับไปเป็นวารต่างระนเจ้าเป็นวาการศึกษาเล่าเรียน น, น, นั้นดีแล้วการให้ทานรักษาศีลนั่นดีแล้วการทํากรรมฐานก็ดีแล้วการเจริญนิพพานก็ดีแล้วดีมัตถุทุกอย่างถ้าหากบอเกิดปัญญาแต่เดีวสิ่งนั้นอย่างวันเดียวกดีมันเพียงดีเหตุตามตามกันมาก็าคือพอแม่ปู่ย่าตายายเอาสอนกันมา จดจำมาซื้อทำตามกันมาซื้อเรามีการเล่งรัดพัฒนาหีือยังเรมีการเล่งรัดพัฒนาแล้วมั้งคับบรมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจิตใจของเราเมืเม่อเรามีการเล่งรัดพัฒนาตัวเรามั่นมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราไปเลยดังนั้นธรรมะเรื้อว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ มันเป็นคำเดียวกันธรรมะคำธรรมะก็แปลว่าธรรมดีพระพุทธเจ้าก็แปลว่าผู้รู้แจ้งรู้จริงคำว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบสก็จิตใจบโเส้าหมองเป็นวันเดียว่ันถ้าหาเขาเพียงว่าตัแต่ว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบโเส้าหมองคำนั้นคำว่าซื่ อ, อจิตใจเขาอยังเส้าหมองอยู่กะ ขายคือว่า <ASON> เขาวาวซื้อหิวข <ส philosophy. S 1> ้าวหิวข้าวแกบอกินตะเกียอเนี่ยมันไ่ได้ประโยชน์อะไรการพูดกับการทํานั้นคือบูคือกันการกระทำเนี่ยทาให้มันรู้บมไม่อยากรู้ทําซื่อๆทําซื่อๆทำเนี่ยทําซื in in ่อๆเขาจิ I ้มพูดจากว่าไอ้มันเป็นซื่อๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขาจิ้มพูดจากว่าเนี่ยเน่าธรรมะนี่ว่าเป็นธรรมา อันธรรมะที่ทําให้คนเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีมรดุผลโบโยกเวร์ถ้าหาว่าผู้ใดทําลายข่มลงผิดนั้นได้ก็ถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าผู้ใดทําลายข่มมืดข่มบอดข่มลงหรือโมหะนั้นบมดได้ก็ไม่จีนอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้า คออนะือยังพระวรกลินยุ้ยไยัพระพุทธเจ้าแต่ทําลายคมหลงผิดโมได้ทาลายโมหะโมได้อายุยกไกลกับพระพุทธเจ้าต่อเมื่อทําลายคมหลงผิดทําลายโมหะได้เมื่อใดจะ อ, อยู่ไกลกับพระพุทธเจ้าคนนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้านั่นคือว่ามีอยู่ทุกยุกทุกสมัยยู่ตามเม็ดหินเม็ดทรายอยู่ตามต้นไม้ภูเขา ยู่ใส่กระตังๆถ้าหา้าความีคนประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมได้ไหนอยู่แล้วอันมักผลนิพพานนั้นขบวางจากโลกนี้เป็นวันแล้วห้าพิกษูพิกสูนอุบาสิกาจยู่โดยสอบอยู่โดยคนามสงบแล้วพระอารหันต์ขบวางจากโลกนี้ถ้าห้าเขาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมได้ไหนยู่ มักคนไม่ผ่านปรากฏเกิดขึ้นวลในป่าจในนามเน๊ะให้แสดงว่าปัญญาเกิดขึ้นให้เฮารู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงคื่อว่าเฮาได้ดำรงวงสกุลทำให้คำสอนของพระเจ้าเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นมั่นคงขึ้นต่อไปตัวลูกตัวหลานตัวเล็ตัวหลอดจนไปเป็น อ้าหาเขาว่าซื้อๆแล้วเขาได้ประโยชน์เท่าที่ควรลูกหลานเขาก็จิตซื่อเอาบเป็นเลินรอดต่อไปสุดท้ายภายหลังก็จิตซื่อเอาบเปผิลบุกุศลบุกจศกวิสิชิตซื่อตอนนี้ผมไม่ทำให้พุทธศาสนาเจริญทันถ้าหากเขาอยู่โดยสอบพระอรหันต์อ บ, บ, บว่างจากโลกนี้ อันนี้ก็ซื้อว่าเขาได้ทำบำรุม ค, คาขอพระอาหารหันต์ให้เกิดขึ้นกระซื้อว่าเขาได้ดําลงวงประกุลทําให้พุทธศาสนาเจริญบนไห้เขาเข้ามาบวชนามานุ่งเหลืองพมเหลืองแล้วทําให้พุทธศาสนาเจริญแมนอะไ น, นั่นแต่มันแมนแบก บ, บ๊วยแมนทําในเชีองแบแบบบยแมนยังเ ผ, ผ, ผ, ผ็ดผิดอีู่ทําถิกพูดผิกคิดผิกอยู่ มันที่งเจริญยางไงถ้าเขาไม่ได้บว ก, ก่าดตำแซงถ้าเขาปฏิบัติทุกต้องความทุกข์บกเกิดขึ้นตัวเขาและวงสังคมของพวกเขาแล้วก็แสดงว่าเขาได้ทำให้พุทธศาสนาเจริญให้ลูกให้หลานให้เหล็นให้ลอดต่อไปเขาจะได้เห็นไปโห่ทำอย่างนั้น มันจะแก้ปัญหาอ น, นั้นได้ทําอย่างนั้นมันแก้ปัญหาอ น, นันได้เพิ่มสอนอย่างตอนพระพุทธเจ้าเขาเคยได้ยินได้ฟังมาจนได้สมบัติแตกอันนั้นก็แก้ปัญหาตัวเองบ่ได้แก้การขัดแย้งต่อตัวเองบ่ได้กระสือวา่าโบเมพุทธศาสนะสมัยนี้มีครูบาใหญ่สอนปอัญญาคนหลายแต่นั่งภาวนาพุทโท หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสัมมาอะระหังนับหนึหน่งสองสามลืมห อ, องยุกอาณาปานาสติดีทั้งนั้นบเมเด่นมันบูดีได้ดีทั้งนั้นถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าแก้ปัญหาตัวเองบอ่ได้ให้าฐานไปัญญาบัณฑุลักษณะจิตปัญญาบัณฑุภาวนาพุทโทหายใจเข้าหายใจออก นับหนึ่งสองสามสัมมาอ阿拉หังหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมลืองเอียดหรือว่าอานาปานัสสิก็ยกังบ่ถูกเพราะมันแก้ปัญหาตัวเองโมไดเ้เพิ่นให้แก้ปัญหาตัวเองของหอทีเดียวแล้วก็รู้จักคนเหาทุกคนรู้จักดีรู้จักตัวรู้จักผิดรู้จักผู้ทําไมจึงรู้จักว่า บโบ้รู้จักตีของเขาเพราะอย่างเพราะเขาบอเคยศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเขาเขาไปศึกษาได้ตำลับตำราบเบิ้งแท่ครูบาอาจารย์คุณมาได้เบิ้งสิตเบิ้งใจเขาอายุเก้าปีสิบปีบางคนตายไปบางคนเกิดขึ้นมาลอดจากท้องแม่ออกมาตัววิณชีเดียตายไปก็ป่ปีบางคนเป็นนุม่มเป็นสาวอายุสิบแปดสิบเก้าปีตายไปกี่มี บางคนเป็นพ่อบ้านแม่เหือนอายุยี่สิบสามสิบปีตายแป็ก็นี้บางคนอายุสี่สิบปีห้าสิบปีตายไป็นคนนี้บางทีอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายเนา่าเข้าหลงไปบม่เคยหัวจักวัศีวิตโตโม่เคยหัวจกักจิตใจของตัวเป็นอย่างเกิดมาเสียทรเสียควมเป็นคนเยียกแท่ดินนะักกินเขา้าเสียเขา้า กินปลาเสียปลากินเนื้อเสียเนื้อหนุงเสื้อ น, นุงผ้าเสียประโยชน์บม่มีคาบม่มีคนย่างคนร้อนชีวิตเป็นมันชีวิตเป็นโมฆะเกิดวันนี้ข้าพเจะาบุตรมาไปคนเกิดมาเมื่อเดียวนึงวันนี้รู้จักชีวิตตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองดีกว้วมีประโยชน์กว้วบุคคุญที่เกิดมาร้อยปีนะเกวันนี้ ทำไมเคิดว่าดีเ่ะเพราะชีวิตเปลนทุกจิตใจบ่เปลี่นทุกเห็นจิตเห็นใจตัวเองเห็นชีวิตตัวเองในเพื่นว่ามีประโยชน์บวชมาร้อยปีต่อต่างเพื่นว่าถ้าบวเห็นชีวิตบวชเห็นจิตบวชเห็นใจตัวเองคุณค่าของการบวชนั้นผมมีประโยชน์ไหมเงี้ยเพื่นว่าเป็นโมฆะเพื่นว่าคำว่าโมฆะก็หมายถึงว่าตายโบได้นเอง มีประโยชน์คุณค่าการบวชมีประโยชน์ผู้บวชเข้ามามือเดียวหนึ่งเทียนจะเอามีดเถะวา ง, ว ง, าาาสวงาใสง่หัวให้ผมคาดเขาไปรู้จักชีวิตตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองดีกว่าผู้บวชอยู่ 100, ร้อยพรรษาพระพเจ้านว่าอย่าง น, นั้นเมื่อรู้จักอันนี้แหละเขาจึงรู้จักว่าเป็นครั้งสุดท้ายเขาจึงรู้จักครั้งสุดท้ายนี เมื่อเขาหูจักอันนี้แล้วเขาหูจักครั้งสุดท้ายหู้จักครั้งสุดท้ายสะกก้อนหูจักอาการเครื่องดัตัวนี้สะกก้อนจรงจะหู้จักว่าประโยชน์คุณค่าอันนี้และชีวิตของเขาจรงจะมีอันนี้เดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ว่าสิ่งนั้นยังบม่ได้ทำหน้าที่ของมันเพราะว่าเขาบ่ได้ให้มันทำหน้าที่ของมันนี้มันก็เลยโบรูทำไมจึงว่าควาให้มันทำหน้าที่ของมัน เขาไปคิดเอาเขาอยากลูอันนั้นเขาอยากลูอันนี้มันก็เลยอยากลูมันก็เลยลูไปตามผมรู้มันไปคิดเอาก็เลยไปตามผมคิดตัวเวทนาจริงๆก็เลยปได้ทําหน้าที่ของมันตัวสัญญาจริงๆมันก็เลยปได้ทําหน้าที่ของมันตัวสังขารจริงๆมันก็เลยปได้ทําหน้าที่ของมันตัววิญญาณจริงๆมันก็เลยปได้ทําหน้าที่ของมันแม้ที่สุด รูปอันนี้มันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันจริงจริงมันไปทำหน้าที่ของผู้อื่นซึ่งนั่นจึงว่าบม่ได้ทำหน้าที่ของมันเมื่อมันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันการงานของมันก็เลยบมดแล้วหรือมันก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมามันบ่ได้แสดงตัวมันออกมาเป็นจังหวะพวกเขามาอยู่นํากันในพรรษานี้เขาต้องพยายามทําหน้าที่ของเขาจริงจริงทำซื่อ มันเคลื่อนมันไหวให้มันรู้จักคือคือพอรูปนี้มันนั่งอยู่นิ่งๆโบได้มันต้องมีการเคลื่อนการไหวมีการเอียงซ้ายเอียงขวามีการค้มการเงยมีการชิดตามีการหายใจซึ่งนี่คนอื่นมองเห็นส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่นคนอื่นมองบ่เห็นตัวเองก็มองไม่เห็นเป็นจึงว่าตัวเองบ่เห็นตัวเอง ได้ยืนรู้จักตัวเองได้อย่างไรตัวเองว่าเห็นตัวเองเมื่อบรู้จักตัวเองที่เป็นคนได้อย่างไรมันก็บ่กเป็นคนแหละมันก็เป็นคนแค่รูปร่างหน้าตาแขงขามือเท้าเท่านั้นจิตใจว่าเป็นคนเนเพราะมันคิดไปทั่วที่เขวแดนไปเนี้ยถ้าว่าเขาเห็นจิตเห็นใจเขาแขงขาหน้าตามือเขาขอเขาเป็นคนจิตใจเขาก็เป็นคนเนี่ย คันว่าเป็นคนเขาต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่มันมีประโยชน์กับชีวิตเขาเขาก็เอามาใช้กับคนสิ่งที่มันบมีประโยชน์กับคนเขาก็บอกมาใช้กับคนเขาก็เที่ยงไปอนุวาคือว่าผลผลนั่นจริงจรงผู้จักว่าเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่ถึประโยชน์ถ้าหากผู้ใดบูรู้จักเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่บเป็นประโยชน์นั้นมาไว้กับชีว mm ิตเขาก็เป็นคนอยู่ แข้งขาหน้าตามือเท้านะ่ะจิตใจบุษ้นนะ์ขนจิตใจยังเลวสามจําซาปัญญายัางนาแน่นคนอ้อนปัญญาก้อนผมคิดเพื่อนว่าอย่าสั่งตัว อ, อันธรรมธทําให้รู้สึกตัวการเคลื่อนไหวยกมือไปเอามือมาเหลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังนี่อันนี้ทําให้เกิดปัญญาเพื่อนว่า กายญานุปัสสนาขจีวาประจามละคือกายกับรูปนี่ไม่อันเดียวกันเพิ่นให้รู้จักว่ากายญานุปัสสนาให้มีสติดูกายในกายเสมอเวทนานุปัสสนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาเอาจิตตานุปัสสนาให้มีสติดูจิตในจิตเสมอมานุปัสสนาให้มีสติดูธรรมในธรรมว่มอวาซื่อ ตำรามันมีได้เอาสิเขาบว่าเขาสิคำว่าเจ้าการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้เหารู้ให้เหารู้สึกตัวเหาจริงๆมันคิดเหาก็ให้รู้มันคิดหให้เหาะก็ให้รู้มันคิดดีเอาไปว่าเจ้มันคิดให้ว่าเจ๊ไปมันปรากฏการเรื่องใดขึ้นมาให้เหารู้ให้เหาเมื่อเหาเห็นเขารู้ระควงที่มันทูกหยุดทันทีเพราะอย่ามาทุกต้องกําหนดรู้ สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทําให้แก่เป็นวายทุกต้องกํานดรู้ก็กําหนดตัวเคลื่อนตัวไหวนิบุมันเป็นตัวทุกข์เองสมุทัยต้องละคันหามาหู้จักตัวเคลื่อนตัวไหวที่ตัวนี้ตัวคิด่อนมันก็เสร้าโลดเป็นวะอันนี้หอบูู้้จักตัวเคลื่อนตัวไหวที่มันเนินไปนะผมคิดอันตัวผมคิดเฉพานตัวสมุทัย มันละโบได้เพราะเขาเข้าไปในหัวคิดแล้วนะพูดว่าอันนั้เพราะเอิญรู้คิดรู้แล้วเข้าไปในหัวมีคิดมันเลยปรุงเลยแต่งห่เพราะเอิญรู้คิดบบเห็นคิดบบเห็นคิดเห็นใจคิดบบเห็นชีวิตของตัวเองนะพูดว่ามันเข้าไปในหัวคิดเพูนว่าเอินเป็นว่านิปสนุปกิเลสพูดว่าสัตมันหละโบได้เพราะเอินว่านิปัสนุ มักต้องเจริญแบบนี้มักต้องเจริญต้องเบื้งการเคลื่อนไหวเขาทําอยู่บ่อยๆนั่งก็ทํานอนก็ทำํำยางก็ทำํำยืนก็ทําให้รู้สึกตัวกินข้าวกินน้ําก็รู้สึกตัวเข้าห้องน้ําห้องต้วมก็รู้สึกตั ว, ม ว, มตวผมรู้สึกตัวนั่งคือว่าเอมมักเขาบอกมักเอากระโบลูแล้วกระบนเห็น่อยมักต้องเจริญความเจริญ น, นั้นเอราะว่าทําให้มา ทำโบยุดโบเสาการงานย่างใดก็ทําอยู่กับการกับงานณบโบยุดโบเสามีโลดทาให้แย้หมดมันดีลูไปถึงที่สุดของทุกสภาพลูบนี่มันก็จะขาดจากออกซึ่งที่มันเคยติดพันนั้นสภาพจิตใจนั้นมันก็จะขาดออกจากกันซึ่งที่ฝุ่แป้งนั้นมันจึงขาดร่องออกจากกันเมื่อขาดออกจากกันเราจิจัดมา ดึงให้มันติดกันคือมันบูติดกันเพราะมันขาดแล้วเสื้อขาดในหอ้องจับชนนั้นชนนี้มาดึงใส้กันมาต่อกันต่อกวัวใดทคันเท้าแก้หลันกนั้นมาต่อตรงการเนี่ยดึงไปบดถึงหลักนั้นอีกทีแล้วมาแก้หลักนี้มาถึงตรงกลางแล้วคู่วบถึงสองต้นในทีนแล้วเพื่อจะว่ามันขาดแล้วหมดแล้วเพื่อจะว่าสิ้นแล้ว คมวัจันยุบจบแล้วคิดอื่นงไม่มีเพราะมันขาดเห็นมันขาดคุณเน๊บุแม่เขาจีไป้หู้มันขาดแล้วแต่หู้ซื่อๆในบทนี้อันหู้ซื่อๆนั้นมันเป็นคมลูกของอวิชชาทั้งหากเน๊มันเป็นคมลูกของวิปัสสนูมันเป็นคมลูกของจินตญานมันเป็นคมลูกของวิปลาสก็เาเห็นเมื่อมันขาดต่วกันปุ๊บ มันสิดยืดมัดทั้งเนื้อทั้งตัวเขานี่แหละเขาจีหัวเจ้าโอสภาพบสิวิจิตใจของคนต้องเป็ น, น อ, อย่างที่คือการมดคือญาตาพระพุทธเจ้าเป็นว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราสัทธาพจน์เนี่คือการมัดทุกคนเมื่อบูฮัวจักก็ต้องทําไปเฮตุไปเมื่อฮัวจักเราก็เป็นสุขการสัตชภ์ทั้งหลายเหมือนเราสัทธาพจน์เหมือนกัน ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันผิดกันตั้งแต่อวัยวะเพศ น, นั่นเองคือแต่เรื่องจิตเรื่องใจเรืองสุขกันมืดสัตวทั้งหลายเป็นตถาคตต่อเมื่อเห็นขาดช่วงท่านมาังกรเป็นไดรสุขกันเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าจึงสอนเอาวัยครั้งสุดท้ายครั้งที่สนี้ว่าสัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเคอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตาตาคนนี้เพราจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตาตาคตนนี้เป็นรู้เห็นเข้าใจบบไม่นเาไปท่องไปสวดไปบนเลยเพิ่นว่าให้ปฏิบนะัติเอาเลยเพิ่นว่าใ ห, ห้คือเพิ่นนั้นเนละ้เพิ่นเหตุอย่างไหนของข้อจากนะี้ตำรับตำลาต้องกระ บ, บอกไว้นนีะ้ภาพภูริแจ้านัา่นหน้าที่เหตุอย่างนั้น เวลานั้นเห้จังทรัมในคนคนบอกไว้เลยนี่เขาบดได้เหตุจังทรันได้หรือไม่เนี่ยเขาเหตด น, น้อยเขาเนีเหตุ น, น้อยอยู่มันจึงบดผลเป็นเมื่อมันบดเป็นก็ต้องทําไปทให้มันเป็นแต่มันต้องเป็น ถ, ถ้าเขาทําถูกถ้าทําบดถูกแล้วทาจากสิบปีแล้วบดเป็นเพื่อนบอกไว้แล้วในหลักสูตรธรรมวิจารถ้าผู้ใดจเจริญสติประญานอย่างถูกต้อง ทุกต้องแนรของคนเจ้าวาคเนเด็กไม่เป็นทุกต้องของคิดเอาผู้เดียวเด้ใครติตต่อกันเหมือนลูกโซออกตรงนี้คำว่าจิตต่อกันเหมือนลูกโตนี่หมายถึงว่าการทําบวขัดตัวงบวชขัดสายนั่งก็ทํานอนก็ทํายืนก็ทําย่างก็ทํากินข้าวกินน้ําก็ทําเข้าห้องน้ําห้องช่วงก็ทําให้ว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างให้เหาเขินน้อยให้เหารูมาคนเอิน ต่อกับสุลุกโตมันบวชขาดขาดน้อยเอาย่างนานบวเกินเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนย่างไวที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันเทิงเจ็ดวันลุดสิบห้าวันมีอนกทรงสองประการเปนวส้สำหรับเพื่อนหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันคบนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระอนาคามีอันนี้แหละเพ่อนเอื้ออยู่โดยสอบ ดูโดยทอบก็คือบ่หลงตนบล่ลืมโตนั่นแหละเป็นอื้ออยู่เโดยชอบคันลงต้นลืมโตไปเบื่งแต่ผู้อื่นไปเห็นใจคนผิดของผู้อื่นมันมากเกินไปก็เป็นคนลงตนลืมโตแล้วก็อบอกเข้าใจแล้วเป็นะัะไย่างนั้นนั่งหยุดอยู่นี่นี่ฟังผมว่าอยู่ในนี้จิตใจอันหลักสนะนี้นี่ะมันมียุทธคนณอยู่นี่นี่เ จ, จ, จสซิ่งนี่บได้ทําหน้าที่ของมันที่ว่า งานปัญญาจึงโบเกิดงานปัญญาบบเกิร์ด้ช่ค่ะต่อเมื่อเขาทำโทกจังหวะมันี่ยงานปัญญาเกิดขึ้นเป็นว่าเอิญใหญ่ใหญ่เป็นเอิญมห า, านงานศาสนามห า, านงานเป็นวางนะีมหาานเหรอวาสอีกหน้างานเป็นวางเป็นวางศาสนาพุทธแท้ๆเป็นใาญใหญ่ที่สุดเดียวเป็นาศาสนามหาานถ้างานบบเกิดขึ้นกัน สแสดงว่าเรายัางบุษันมีญาณญาณอันนี้บอกไม่ว่าจริงญาณแล้วคืออย่างขาเจ้าว่ากัานนั้นญาณเข้าไปรู้อย่างแสดงบอกเอมันทําหน้าที่ของมันแล้วนั่นแหละคือว่าญาณิดขึ้นบริเว้ณญาณอันอึ้งไกลไปดอกมันทําหน้าที่ของมันตัววิญญาณ น, นั่นแหละมันทําหน้าที่ของมันเรียกว่าเป็นญาณหญ่ที่สุดเป็นปัญญาอันหญ่หลวงที่สุด คนเอื้นมหายานเป็นวันยั ง, งั้นะเอื้นศาสนามหาญานมันมีไปทางญี่ปุ่นทางพวกจีนพวกนั้นในพวกเกาหลีเกาหลีที่ได้พวกบุหุจักมุนั้นศาสนามหาญานมันไปทางนุ่นมาทางเขานี่มันเป็นถีนัญญาเป็นอย่างไรกันบ้างเนีย่ยว่าศาสนามาทางเขาที่ว่าคนโลน้อย อ่านหนังสือฟังเรื่องมหัญยาณแล้วก็บอกใหยเข้าใจถ้านั่นจริงว่าโบได้หมายถึงผู้หญิงบบได้หมายถึงผู้ตายสมไมหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อไปว่าให้พระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะแห่งอายุโบถึงยี่สิบปีมันกี่เป็นพระได้อย่างไงพรเะเขาจะวาวโบได้ไหมผมได้ยินหนังสือว่าอายุเจ็ดปีนี่ปนเป็นพระได้แน่มันบนบแม่น้ อันนั้นแสดงว่าบูจากกันมวด่งเข้าของญาติของโยมเป็นเจ้าคณะแขกกระต่างๆนี่บูักอ่านหนังสือ น, น้อยเกินไปและการปฏิบัติน้อยเกินไปปฏิบัติตามแบบพ่อแม่สอนมาของเขาเอื้นศาสนาปัจเจียนี้นนยังไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองตอนมีการพัฒนาตัวเองเขาพวกเขามาอยู่ที่นี่พยายามฝึกสอนตัวเขา พยายามผู้อื่นว่าให้เขาหลับก่อนให้ฟังทันทีเราไปเดียวผิดกระซังผูกกระตามผูกก็เป็นเรื่องของเขาผิดก็เป็นเรื่องของเขาผู้หั้นปไปจะนาชวีวาซื่อนี้เนี่เขาว่าเองได้ว่าถูกว่าผิดจ่าโอ้ถูกแล้วเขาก็ว่าเองผิดแล้วเขาก็ว่าเอง อ, อันจบมันว่าเ อ, าเองนั่นผู้ไหนวาไม่ใจเขาว่าบาเรื่องปัญญาวาบาเรื่องวิญญาณวา นี่แหะป็นวากาลขัดแย้งมีอยู่ที่ตัวของเขาบ่มีการขัดแย้งอยู่คนอื่นอยู่ที่ตัวของเขาเองเขาเองเป็นคนว่าอันพวกอื่นนั่นคื อ, อยังผมว่าในี่ว่าตามเรื่องของผมบางคนอาชีวผิดก็เพิ่นขัดแย้งกับบ่มีของเพิ่นคนนี้ผมก็ว่าตามเรื่องของผมต่างหากที่คือยังว่าการปฏิบัติธรรมะจิตมาแย้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองให้มากใครที่ว่าทะานก็ตามท้าน เขาต้องเบิ่งจิตเบิ่งใจแบบมึงว่ามันขัดแย้งมันบมทุกเป็นเพราะยังต้องเหตุโนดเดี๋ยวเหตุใจเขามันก็ลูมปุ๊บไปโรดมันว่าเอามาต่อมาติดมีอยัางเพราะมันที่ทาหน้าที่ของมันเนี่ยถ้าหากว่าเขาคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันคิดปุ๊บนูปับมันคิดปุ๊บนูปับมันคิดปุ๊บนูปับมันโมทันปูุงแต่เธอเนี่ยเมื่อบรรดมันโ่ทันปรงแลงวเนี่ย ให้เขาขยับเขาขยับเขาบุญเรื่อขยับญาตเข้าไปเลยความคิดของเขาโตรู้สึกตัวเนี้มันิ่วัยเขาไว้เขาไว้เข า, เขาโตวิญญาณกว่าได้โตปัญญากว้าเมื่อมันถึงที่สุดของมันญาตปัญญาก็เกิดขึ้นเดียวมหาห่างเป็นญาณิอันใหญ่หลวงที่สุดสามารถมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างบุญเร่อตาเห็นรับใจมันเห็นใจมันคู ใจมันเข้าใจเพราะมันขาดมันหมดเมื่อมันหมดแล้วกรรมบางกระโย่ซื้อต่าคนอ่ะมันบวขาดมันบวหมดเนี่มันก็มีการปรุงการแตกเมื่อมันมีการปรุงการแตกออกกับพยายามจัดการเหมือนลายย้ำมหนึปรุงมากย้ำมันแตกมาอย่างนั้นเข้ามาฝุกขัดโตเฮาทําการทํางานกระเบิ้ลน้ำย้ำไปคุยกันมากถ้าคุยกันมากมันจะหาคมคุยแต่คน เขาเลยไม่ได้เบิงจิตเบิงใจถ้าหากเขาทำการทำงานทำซื้ อ, อแค่มือเขาทำ